Thank you. ติดติดไปช่วยรักษาเดินจงกรมไปมามากกว่าอิริยาบถอื่นใ ด, ดแม่นั่งภาวนาไปเน้นเรือนกายเป็นอารมณ์ จิตสงบลงเร็วไวอย่างง่ายได้ผิดธรรมดารู้ทันทีเลยว่าที่ทำมานีา้ถูกทางเมื่อจิตมันคงรวมลงไป เลื่อนไหลเรร่อนไปในที่ต่างๆท่านจึงแน่ใจและถื อ, อบายนี้เป็นแนวทางไว้วางอย่างมั่นคงไม่สงสัยยึดเป็นอุบายที่ใช้นำดำเนินมาไม่อาภัพนับว่าสมาธิเริ่มแน่นอน พยายามพิจารณาตามวิธีนี้อยู่หลายวันจึงตั้งท่านั่งขัดสมาธิพิจารณาร่างกายเพื่อให้ใจสงบด้วยอุบายวิธีนี้อันเป็นเชิงทดลองดูว่าจิตจะสงบแบบไหนกันอีกแน่ความที่จิตไม่ได้พักสงบตัวเลยเป็นเวลาหลายๆวันพร้อมกับได้รับอุบายวิธีที่ถูกต้องเข้ากลอมเกล่าจิตจึงรวมสงบลงได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายผิดปกติขณะที่จิตรวมสงบตัวลงไปปรากฏว่า ร่างกายได้แตกออกเป็นสองภาคและรู้ขึ้นมาในขณะนั้นว่านี่เป็นวิธีที่ถูกต้องแน่นอนแล้วไม่สงสัยเพราะขณะที่จิตรวมลงไปมีสติประจำตัวอยู่กับที่ไม่เหลวไหลและเที่ยวเร่ร่อนไปในที่ต่างๆดังที่เคยเป็นมาและนี่คืออุบายที่แน่ใจว่าเป็นความถูกต้องในขั้นแรกของการปฏิบัติในวาระต่อไปจึงถืออุบายนี้เป็นเครื่องดำเนินไม่ลดละจนสามารถทาความสงบใจได้ตามต้องการ และมีความชำนิชำนาญขึ้นไปตามกำลังแห่งความเพียรไม่ลดย่อนอ่อนกำลังนับว่าในหลักฐานทางจิตใจที่มั่นคงด้วยสมาธิไม่วันไหวคลอนแคลนอย่างง่ายดายไม่เหมือนคราบำเพนตามนิมิตในขั้นเริ่มแรกซึ่งทำให้เสียเวลาไปเปล่าทั้งสาเดือนโทษแห่งความไม่มีครูบาอาจารย์ผู้ฉลาดคอยให้อุบายสั่งสอนย่อมมีทางเป็นไปต่างๆดังที่เคยพบเห็นมาแล้วนั่นแหลอย่างน้อยก็ทาให้ล่าช้า มากกว่านั้นก็ทำให้ผิดทางและมีทางเสียไปได้อย่างไม่มีปัญหา